นช่ปองเป็นไงป่องยังไงตื่นบ่อยไหมธรรมดานะธรรมดาปกติมันดีอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะยังไปอยู่วัดมันก็ตื่นตัวขึ้นมาช่วงนึง กลับมาสักาพาักหนึ่งก็หมดเหมือนกันนะค่อยทำเอาสมัยหลวงพ่อหัดใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นรับราชการเนี่ยวันลามันน้อยตนะ้องเก็บเก็บวันลาไว้นานๆจะลาได้ทีหนึ่งไปอยู่วัดหลายๆเดือ น, นจะได้ไปทีหนึ่งกลับมาจิตใจก็ตื่นตัวได้ช่วงนะแล้วค่อยเยวแห้งลงเรื่อยๆ <c oughs> เป็นคาราวะาทำได้อย่างนั้นแต่หน้าที่ของเรานะมันมันดีก็ทำนะมันไม่ดีก็ทำไปคือการปฏิบัติต้องต่อเนื่องต้องสม่ำเสมอคือถ้าเราปฏิบัติช่วงไหนเราปฏิบัติแล้วจิตมันดีขึ้นแล้วก็ต่อมาเราเลิกปฏิบัติจิตมันเสื่อมไปเราก็จะสำคัญผิดว่าถ้าเราทำเมื่อไหร่มันก็ดีเมือนั้นไอ้ที่เสื่อมนี้เพราะเราไม่ได้ทา กลาเป็นว่าไอ้ที่ดีเนี่ยทําได้ทับขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทําต่อเนื่องทุกวันทุกวันนะไม่ละเลยเราจะเห็นเลยว่าช่วงหนึ่งดีขึ้นไปช่วงหนึ่งเสื่อมให้เห็นต่อหน้าต่อ ต, ต, ตาได้ถึงจะพยายามเท่าไหร่เท่าไหรนก็เสื่อมใจมันค่อยยอมรับความจริงวนะ่สิ่งทั้งหลายมันบังคับไม่ได้นะค่อยๆละความเห็นผิดไปเพราะงั้นต้องทําให้ต่อเนื่องเลยทำทุกวันทุกวันนะพยายามดูไปเรื่อยๆอย่าละเลยนะสอง เราจะไปเรียนเมื่อไรแค่เรียนก็ดีนะอุกสาได้ที่หนึ่งประเทศแล้วเพื่อนเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วโบว่าไงโบไปภาวนาที่ไหนมาใช้แบบไหนพุทโธแล้วพี่หนักกายหรือเปล่าหรือ คือปฏิบัตินะต้องเอาจริงๆนะแต่อย่าอย่าทำผิดอย่างเก่านะนึกออกไหมที่ทุ่มลงไปแล้วไปบังคับใจอนะ่ะให้รู้ไปรู้กายรู้ใจนะคอยรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนนะคอยรู้สึกไปนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกทานอาหารเข้าไปขับถ่ายออกเนะี้ยดูลงไปให้เห็นเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรา ก็จะดูกายนะหรือดูกายเป็นรูปก็ได้นะเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนไม่มีตัวเรานะอย่างงี้ก็ได้ส่วนการคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภาอะไรเนี่ยนะหลวงปู่เทศท่านบอกมันเป็นสมถะนะคิดเพื่อแก้อาการของจิตจิตมีราคะอะไรเงี้ยก็คิดว่าร่างกายเป็นปฏิกรูปสกปรกอะไรเงี้ยนะแก้ราคะ ดีเหมือนกันจิตไม่มีราคาจิตก็ได้พ้นจากนิวรณ์ชั่วคราวนะแต่ถ้าจเจริญปัญญาดูลงไปให้เห็นนะกายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรานะกายเป็นตัวทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวดีอะไรค่อยรู้ตามดูตามดูอย่าไปคิดเอานะต้องดูเอาต้องรู้สึกเอาหลวงพ่อพุตท่านก็สอนนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด ยังคิดอยู่ไม่ใช่ของจริงคิดความคิดกับความจริงคนละอันกันอยากเห็นของจริงอยากเห็นธรรมะของจริงต้องดูของจริงรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจดูซิกายจริงๆเป็นตัวเราไหมกายจริงจรเที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูของจริงจริงอย่างคนทั่วๆไปเห็นกายเป็นสุขนานๆกายจะทุกข์ทีหนึ่งแต่ผู้เจริญสติเห็นกายเป็นตัวทุกข์ทุกทั้งวันนั่งอยู่ดีๆเดี๋ยวก็เมื่อยแล้ เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวปวดเมื่อยเดี๋ยวคั น, เ ร, นเราก็หนีความทุกข์ด้วยการอย่างคันเราก็แอบเกาไปเมื่อยเราก็ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเนี้ยเราก็ไม่เห็นมันทุกข์เห็นไหมมันทุกขนะ์ทนไม่ได้นะ ท, น, ทนไม่ได้คอยรู้สึกนะรู้สึกไปถ้ารู้สึกอยู่ที่กายเนึองเนือ ง, หงเห็นกายนี่เป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวดีนะถ้าชอบรูก้กายก็รู้อย่างนี้ ไม่ใช่ไปนั่งคิดเรื่องกายนะคิดเรื่องกายใช้ไม่ได้นี่รู้กายนะหมดเวลาที่จะนั่งที่จะนั่กายนะออกมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยค่อยรู้สึกตัวไปจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆการปฏิบัตินะต้องต้องเด็ดเดียวหมายถึงต้องทําต่อเนื่องนะทาทําหยุดหยุดไม่ได้แล้วก็ทําแบบวัวปากวัวปัมก็ไม่ได้นะคือการปฏิบัติทำมีเครื่องมือสําคัญสองอันอันหนึ่งสติอันหนึ่ง สัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาระดับต้นปัญญามีหลายระดับปัญญาระดับต้นคือตัวสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติให้มันถูกหลักถูกเกณฑจะทาสมาะก็มีสัมปชัญญะควบคุมทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจสงบทำอย่างไรมีสติรึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องะระลึกสบายๆด้วย ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบถ้าจะปฏิบัติวิปัสนาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราปฏิบัติอย่างไรตามรู้ของจริงไปนี่เรียกว่าตัวสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นเครื่องกำกับการปฏิบัติของเราให้ถูกทางเมื่อเราปฏิบัติถูกทางแล้ว ตามรู้ไปเรื่อยมีสติตามะระลึกกายตามะระลึกใจนะแล้วแต่สิ่งใดปรากฏระลึกไปเรื่อยะระลึกอย่างสักว่าระลึกละระลึกได้ถูกต้องเนยปัญญาระดับที่สองจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าวิปัสนาปัญญาปัญญาเบื้องต้นเป็นตัวสัมปชัญญะทําให้ปฏิบัติถูกทางเมื่อปฏิบัติถูกทางแล้วจะเห็นความจริงของกายของใจนะ เร่ยว่าวิปัสนาปัญญาเมื่อวิปัสนาปัญญาแก่รอบนะเกิดโลกุตตะปัญญาเป็นปัญญาแนริยมนะัตัวนี้เราทําขึ้นไม่ได้ยันหน้าที่เรามีสตินะมีสติอะไรแปลกปลอมในกายก็ค่อยรู้อะไรแปลกปลอมในใจก็ค่อยรู้ไปมีสัมปชัญญะกํากับการรู้ให้ถูกต้องรู้นะไม่ใช่เผลอไปไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไว้นะทําให้ถูกถูก ใครมาใหม่ๆใครไม่เคยมาบ้างในแสดงตัวนะนเคยโฮเยอะนะเคยฝึกกันมาจากไหนเคยฝึกมั่งไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยหัดง่ายเพราะคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยผิดอย่างเดียวคือเผลอไปคนที่เคยฝึกนะผิดสองอย่างอยู่เผลอๆไปนะเขาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับไว้เพ่งเอาไว้กําหนดไว้ ผิดสองอย่างอย่าปฏิบัติไม่ยากนะคอยรู้สึกตัวไว้รู้จักรู้สึกตัวไหมรู้จักใจลอยไมเออใจลอยแนละก็คือเผลอไปใจลอยแล้วรีบรู้ไวๆ ว, ว่าเผลอไปละรู้สึกบ่อยๆงยงไงโมจิตเป็นยังไงดูซึมเศร้าเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ดูออกไหม เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงขณะเนี้ยรู้ตัวบริบูรณ์ดีไหมคิดว่ารู้ตัวเต็มที่ไหมตอนนี้มีอะไรแทรกอยู่ดูออกไห ม, ไมอะไรนะเออนั่นแหละดูลงไปรู้ทันมันนะต้องรู้ให้ทันนะไงั้นถูกมันหลอกเอาฟังธรรมะ ก, ก็มีโทรศัพท์ได้นะ รู้ลงไปนะไม่ได้แก้มันรู้อย่างที่มันเป็นปกติจิตเรามีโทสะบ่อยอยู่แล้วโยละโยจิตเป็นยังไงรู้ตัวเต็มที่ไหมไม่เห็นคุณอ้อยแวบแอบหายไปไหนอ๋อยู่นี้เป็นไงคุณอ้อย เธอบ่อยไม่เป็นไรนะอย่าเผลอนานมันก็ยากจริงๆอ่ะนะกว่าจะตื่นสักคนหนึ่งนะยากยากตื่นขึ้นมาแล้วยังหลับได้อีกนะโบต้องระวังนะคอยรู้สึกเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกไหมจิตใจแอบเคลื่อนไหวทำอะไรนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งมันนี่บางคนปฏิบัติหลายๆที่งงนะบงท เขไปฝึกแต่ละแห่งสอนไม่เหมือนกันนะรูปแบบหรือวิธีการอาจจะแตกต่างกันได้นะแต่เนื้อหาสาระสติต้องสติอย่างเดียวกันนะั่นเองต้องเป็นสัมมาสติจิตต้องตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินะแล้มีสัมปชัญญะมีปัญญากํากับอย่างการที่เรารู้นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนทุกคนรู้สึกใช่ไหม แต่เรารู้สึกว่าตัวเรายืนตัวเราเดินตัวเรานั่งตัวเรานอนเนี้ยนะนี่เรียกว่าเรายัางรู้ไม่ตรงความเป็นจริงถ้ารู้ตรงตามความเป็นจริงจะเห็นไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนนะเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวสงสัยบ้างไหมฟังแล้วงงไหมไม่งงเลยหรอแปลกนะหลงพ่อพูดเองอยังงงเลยรู้จักใจลอยไหม ใจลอยบ่อยไหยวันหนึ่งเออดีนะคอยรู้รู้บ่อยๆนะรู้เรื่อยๆรู้จนกระทั่งเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยจิตที่มันตื่นให้มาอย่างแท้จริงนะมันอ่อนโยนนุ่มนวลนะมันเบาคล่องแคล่วว่องไว ถ้าจิตของเราซึมซึมทื่อๆแล้วก็ยังไม่ตื่นจริงนะดูออกไหมบางทีมันก็ซึมซึมอากาศตอนนี้ชวนให้ซึมนะแล้วหลังทานอาหารด้วยญาติโยมทากันซึมหมดเลยนะพยมจิตใจซึมซึมธรรมะเลยซึมซึมนะของคุณเป็นยังไงของคุณ สังเกตไม่ตรงที่เราไม่วอกแวกเนี่ยนะเรายังคอยรักษามันไว้รู้สึกไหมเราประคองเรารักษานะให้รู้ทันอีกทีหนึง่งนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยใจเราเป็นธรรมดาเลยธรรมชาติที่สุดนะตอนนี้ยังเกินธรรมดานิดหนึ่งดูออกไหมยังจงใจรักษาเอาไว้นะให้รู้ทันตรงนี้ด้วยเพราะสิ่งที่ผิดมีสองงานอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งรักษาเอาไว้นะมันทําให้เราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเพราะมันนิ่งกิดความเป็นจริง เอาคุณที่มีเสื้อคล้องคอเนี้ยรู้จักใจลอยไหมหม้ mm hmm. เราหันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองใช่ไหมคุณที่ผมผูกไว้เนี้ยคอยรู้สึกไปนะรู้สึกคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไหมไง mm hmm. โบนีวิกนีไปเที่ยวอะไรอื mm hmm. ไปทำงานหรือยังเป mm hmm. ลี่ยนที่แล้วเนะี mm hmm. ของคุณเป็นไงบ้างเผลอบ่อยไหมเผ ล, อ, <ม>เลอนานไห ม, นนไหมเราต้องพยายามเคลื่อนไหวนะเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะการที่เราไปฝึกอย่างเราฝึกเดินจงกรมฝึกอะไรเนี้ยเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกเนี่ยจะทาให้เราไม่เผลอนานนะคือจิตใจจะต้องมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ประจำนะ จ, จะเอากายเอาลมหายใจเอาอิริยาบถ เอาเวทนาเอาจิตอะไรก็ได้สักอันมาเป็นเครื่องอยู่ประจำพอจิตของเราคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่อันนี้เนี่ยสติมันจะได้รู้ทันอย่านงะบางคนอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวพอใจหนีแวบไปที่อื่นเนี่ยมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันรู้ทันมาเผลอไปลนะ้บางคนดูเวทนา รู้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในกายนี้รู้ไปเรื่อยๆแต่มาเห็นคนเห็นเพื่อนเดินมาแต่ไกลนี่อย่าไปทักทายเขามันลืมความรู้สึกลืมเมตนาแว บ, บมันนะเกิดรู้สึกขึ้นมาจิตจะต้องมีเครื่องอยู่นะจิตถ้ามีเครื่องอยู่แล้วก็พอมันคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่ของมันสติมันจะเกิดขึ้นมาไวนี่เครื่องอยู่ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเอง บางคนมีตัวช่วยนะใข่าวมีนาฬิกาปลุกใช่นไหมมีนาฬิกาปลุกสองนาทีปลุกทีหนึ่งสองนาทีปลุกทีหนึ่งไว้พอนะะสิ่งถ้าดูให้ดีตัววิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นขอที่เกิดตลอดเวลาอย่างหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยเกิดตลอดเวลาใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะเหลวซ้ายแลกวาคู่เหยียดกระดุกกระดิกนะั่นิ่งเคลื่อนไหวอะไรเนี่ย มีตลอดเวลานะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่มีตลอดเวลานะจิตเป็นกุศลบ้างอ่กุศลบ้างมีตลอดเวลาเฉนั้นอารมณ์ของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องอยู่กับเราเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลานะถ้าเรามีสติคอยระลึกเรื่อยๆสติจะได้เกิดบ่อยนะนี่พวกเราสองนาทีได้ทีหนึ่งก็ยังบุญนะนะ <c oughs> แต่ไม่พอนะ แต่ก่อนมีหนุ่มๆทีมนี่แหละผมพ่อจําไม่ได้ใครบอกว่าถ้าฟ้าร้องแล้วจะรู้สึกตัวบกปีหนึ่งมันรู้สึกไม่กี่หนนะนะมันอวดดีกว่าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกให้รู้ในสติปัฏฐานสี่นี้เพราะสติปัฏฐานสีเนี่ยนะฐานพวกนี้มีตลอดวันเราเรารึกได้เรื่อยๆอย่างแค่เราเราคอยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราลึกไปทั้งวันนะแต่ไม่ได้เพ่งเพื่อให้สงบ เระลึกไปให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกระลึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆพอใจเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันระลึกอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆพอใจสบายเราก็รู้ทันวันนี้ระลึกไปแล้วใจฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันระลึกแล้วก็มารู้กายรู้ใจหไหมจิตไหวนะทราบไหม <laughs> จิตไหวก็รู้นะไม่ห้ามมันหรอก เพราะอะไรเพราะห้ามไม่ได้นะั้นเราห้ามไม่ได้เราก็ไม่ห้ามง่ายคุณผู้ชายนี่เป็นไงเรารู้สึกตัวนะฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยของปลอมทั้งหมดเลยนะธรรมะปลอมๆนะธรรมะจริงอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ย ส่วนที่มาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเพื่อจะรู้วิธีที่จะรู้การู้ใจตัวเองเท่านั้นเองนั้นหลวงพ่อบอกได้แค่วิธีะนะั้นช่วยได้แค่เนี่ยหมดปัญญาละอีอย่างเดียวก็คือคอยเชียวนะั่เดินช้าไปก็ค่อยเชียเชียดหน่อยนะัย้นต้องอยากได้ของจริงนะรู้เข้าไปเชิญ คือจริงๆสติตัวแท้มันยังไม่เกิดนะถ้าสติตัวแท้เกิดขึ้นมามันไม่โกรธหรอเพราะสติกับกิเลสเนีเกิดพร้อมกันไม่ได้นะค่อยๆฝึกไปไก อ, กอ่าก็แรกเลยโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธคือแรกสุดเลยถือศีลห้าไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นพอความโกรธมันรุนแรงขึ้นมาแล้วมันล้นออกไปทางมือทางเท้าทางปากนะนั่นเรามีศีลห้าไว้ก่อน นะโกรธยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าผิดสีนหน้านะอย่าไปตีใครอย่าไปต่อยใครนะเออนะเราก็พูดให้ช้านิดหนึ่งนะนะนี่พอท่านแรกถือสีไม่ก่อนขั้นที่สองเนะี่ยโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธดีแล้วอันนะี้ดีแล้วนะต่อมาค่อยฝึกต่อไปอีกเห็นอีกนะจิตของเราเนี่ยไปรู้ความโกรธเข้าความโกรธไม่ใช่จิตใจเรานะความโกรธเป็นของที่ใจไปรู้เข้า เป็นนามมาทำมันหนึ่งที่ใจไปรู้เข้าถ้าดูไปได้ถึงจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าความโกรธนี่อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่ต้องค่อยๆฝึกอนะ่ะแต่ขั้นแรกเวลาที่มันโกรธขึ้นมาอย่าอยากหายโกรธนะรู้สึกอยากหายไหม อ, อ, อ, อ่อนเหรอไม่ปล่อยเออเอาอย่างนี้นะพอมันอึนอดอัดเนี่ยนะให้ดูที่ความรู้สึกอึดอัดของเรานะ อย่าไปดูคนที่ทําให้เรากใใโกรธะพอใจเราโกรธเนี่ยนะอย่าไปสนใจกั้คนที่ทําให้เราโกรธนะให้มันดูใจของเราที่มันดิ้นไปดิ้นมามันอยากจะว่าเขาเนี่ยให้ดูตรงเนี้ยแต่ไม่ห้ามมันนะแต่ว่าอย่าไปดูคนที่ทําให้โกรธให้ดูที่ใจของเราะที่มันอยากว่าเขาหรือที่มันอึดอัดขึ้นมาให้ดูที่มันอึดอัดนะอย่างนี้พอไหวไหม จริงๆแล้วเมื่อไหร่เห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วทาให้ตัวเราเป็นทุกข์นะทีหลังมันจะเลิกเพราะฉะนั้นพอความโกรธเกิดขึ้นนะมาดูที่ใจเราจะเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์ใจเราอึดอัดดิ้นร น, นทุรนทุรายอยู่เนี่ย น, นั่งดูไปถ้าเห็นว่าโอ๊ยโกรธแล้วมันทุกข์นะทีหลังมันเลิกไปเองอะ่ะไม่จริงหรอกไม่มีใครโกรธค่าวันค่าคืนตอนหลับไม่โกรธแล้ว เพราะว่าเราคอยคิดซ้ำๆนะพอเราคิดใหม่เราก็โกรธใหม่อันนี้เวาจะพยายามแบบว่าจะไ่ตามใจจะไม่ทำตามใจมัมจนจะไม่แสดงออกมาในใจในใจคุณเออ ไ, <ม>ไม่แสดงออกมา <c oughs> ดีแล้วมีศีลไว้ก่อนนะแต่ว่าในใจคุณเนี้ยไม่ห้ามมันเวลามันขุ่นอยู่ในใจเนี่ยให้คอยรู้นะดูซิดีกรีของความขุ่นนะไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวขุ่นมากเดี๋ยวขุ่นน้อยของคุณก็ดูออกไหม ควาโกรธเราเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานั่งดูอย่างเงี้ยมันโล่งเลยนะมันได้ตอบสนองไงเนะนี่ยเฝ้ารู้ไปเร้ารู้นะอันแรกอย่าไปเพิ่งโล่งไปก่อนทําไมหลวงพ่อบอกว่าอย่าโล่งไปก่อนถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นพอแก่แล้วยิ่งร้ายกว่านี้อีกนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่มีใครครบไม่มีใครอยู่ด้วยตอนแก่นะคือคนเราเนี่ยใจของคนเรานะมันจะไหลไปตามความเคยชิน อย่แต่เดิมเราไม่เคยว่าใครเลยนะเราโกรธขึ้นมาเราก็ว่าไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่มาหัดบ่นนิดนิดหน่อยหน่อยพอบ่นเป็นเล็กเล็กน้อยน้อยต่อไปก็เริ่มบ่นเยอะขึ้นเริ่มว่าเขานะเริ่มด่าเขาได้ต่อไปไม่รู้จะด่าใครก็ด่าตัวเองด่าดินฟ้าอากาศได้ใจมันจะไหลไปตามความเคยชินแล้วเราไม่มีความสุขนะเราและเป็นคนแรกเลยที่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นนะรู้ที่ใจที่โกรธ อย่าไปสนใจคนที่ทำให้เราโกรธนะให้รู้ใจของเราไว้ก่อนถ้าเราไปสนใจคนที่ทำให้โกรธนะความโกรธจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะยกตัวอย่างหนึ่งเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราเกตไหมถ้าเราเรากาลังเมอเมออยู่นะขับรถไปเพลินๆคนปาดหน้าเราไม่สนใจไม่โกรธนะนะแต่เราขับอยู่แล้วมันมาปาดแล้วเราเห็นเข้านะแล้วเรานึกว่าแหมมันแน่สักแค่ไหนนะ มันจะเก่งสักแค่ไหนมาปาดเราอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคิดคิดว่าอย่างนี้มันทําไม่ดีทําไม่ถูกนะมันจะโกรธขึ้นมานี่พอมันโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะสนใจให้คนที่มาปาดเราคอยมองมันมันจะไปทางไหนอนะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาทางไปปาดคื น, นบ้างกดแรบ้างด่าบ้างนะระบายความเครียดแค้นนะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยพอเขาปาดหน้าปุ๊บใจมันคิดขึ้นมาว่าอันี่ทําไม่ถูกนะ ใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมาเฝ้ารู้ที่ใจของเราที่โกรธไม่สนใจไอ้คนนั้นนะความโกรธมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะเหตุของความโกรธไม่มีเหตุของความโกรธก็คือการที่เราถูกกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างไอ้คนที่มากวนโทสะเราเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะถ้ายังมีการกระทบอยู่เดี๋ยวก็โกรธใหม่นะเพราะงั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ที่ใจของเราที่โกรธอย่าไปรู้เขานะอย่าไปสนใจครับ พอรู้ใจของเราพอหายโกรธเราก็ค่อยไปดูเขาใหม่นะถ้าโกรธใหม่กลับมาดูใหม่คราวนี้ใจเราจะเป็นกลางอใจของเราเป็นกลางเราจะพูดกับเขาด้วยเหตุผลได้ละไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์ จริงมันจะโกรธนะห้ามันไม่ได้ถ้ามันมีเชื้อของความโกรธที่เรียกว่าอนุใสอนุใสยยังมีแล้วก็ไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็จะโกรธ น, นี่เวลาที่มันโกรธขึ้นมาพอเรามีสติปุ๊บเนี้ยกิเลสมันทํางานได้ไม่เต็มที่แล้วนอนุัสเนี่ยจะค่อยๆบอบางไปงั้นทันทีที่เกิดสติเนี่ยนะกิเลสจะไม่มีเราไม่ได้ละกิเลสเลยเวลาเราปฏิบัติเนี่ย เพอมีสติกิเลสไม่มีอนุสัยคือความเคยชินเนี่ยจะค่อยๆสลายตัวไปเพราะฉะั้นเราฝึกไปเรื่อยมันจะเบาบางลงเพราะอะไรเพราะมันเกิดความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมาความเคยชินที่จะมีสติมีปัญญาขึ้นมาความเคยชินทางดีเขาเรียกบารามีความเคยชินทางชั่วเรียกอนุสัยใจมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินเพราะฉนั้นถ้าเราเคยชินโกรธแล้วเราก็ดา่าโกรธแล้วเราก็ด่าเรื่อยๆนะ เราจะยิ่งด่าไวขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกรู้สึกตัวเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะใจเราไม่รล่าร้อนไม่ดิน้นรนใจค่อยๆเย็นๆความเคยชินที่จะโกรธก็ลดลงเรื่อยๆไงคุณเสื้อเขียวรู้จักใจลอยอยังดีละนะรู้สึกอย่างเนี้ยนะแต่มาบอกให้เป็นตัวอย่างนะ กับบ้านเราใจลอยไปแล้วก็ค่อยรู้ทันนะทำงานอะไรละ่ะอยู่บ้านทำอะไรบ้างไม่ใช่ทำกิจกรรมอะไรค้าขายหรือว่าทำอะไรเหรออยู่โรงงานยุ่งไหมงานเหรอ ที่จริงการปฏิบัตินะเราอยู่ตรงไหนเราก็ปฏิบัติตรงนั้นนะยกตัวอย่างบางคนค้าขายนะบางคนค้าขายวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยหัวใจคอไม่ค่อยสบายเลยไม่มีลูกค้ารู้ว่าไม่สบายนะวันนี้ลูกค้ามาเยอะเลยดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยวันนี้ลูกค้ามาเยอะมากเลยจนเหนื่อยแล้วเนื่อยอยากจะพักแล้วไม่รู้จะรู้ว่ามันจะมบ้าซื้ออะไรทั้งวันทั้งคืนชักลำคาณ น, นะรู้ว่าลำคาณบางคนเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้ เห็นลูกวิ่งหัวล้อามารู้สึกมันน่ารักจริงเลยรู้สึกรักรู้ทันว่าใจมันรักนะเห็นลูกเป็นไข้ไม่สบายเป็นกังวลรู้ว่ากังวลนะงั้นทําอะไรเราก็ปฏิบัติได้ดูหนังดูละครก็ทําได้นะดูข่าวดูอะไรก็ทําได้นะดูหนังนะเห็นนางเอกสวยเห็นพระเอกหลอ่อเลยใจเราชอบรู้ว่าชอบนะเห็นผู้ร้ายเกลียดมันรู้ว่าเกลียด นี่มันต่างกับคนทั่วๆไปนิดเดียวคนทั่วๆไปดูหนังนะพระเอกอย่างโน่นนางเอกนี้มัวแต่รู้เรื่องหนังนะผู้ปฏิบัติจะดูหนังแล้วก็มาดูใจนะดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวดูใจของเราบ้างไอ้นี่แหละรจริงจังสุดขีดแล้วส่วนใหญอย่างเนี้ยนะไม่จริงจังเท่าไหรอ่อ่ะวันหนึ่งจะนั่งได้กี่ชั่วโมงนะแต่ปฏิบัตินเนี่ยทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเนี่ยจริงจังไหม ตะมาสมัยก่อนนะพวกมาเก่เาๆฟังแล้วฟังอีกรับราชการอยู่ตื่นนอนมาวันจันนะพอนึกได้ว่าวันจัน์ใจกระทบความคิดนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันนะใจแห้งแรงเลยพอตื่นมาวันศุกร์นึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจมันสดชื่นเลยสดชื่นก็รู้แห้งแรงก็รู้นี่ปฏิบัติแล้วนะยังไม่ได้ลงจากที่นอนเลยอาการหนาวๆาเงี้ยจะไปอาบน้าในตุ่ม ตามองเห็นตุ่มน้ำํำตาเห็นรูปตาเห็นตุ่มน้ําใจนี่สยองเลยใจสยองรู้ว่าสยองจะทานข้าวอุ้ยนี่อร่อยพอใจอันนี้ของแม่อร่อยไม่พอใจเห็นไหมลิ้นกระทบรถความรู้สึกก็เปลี่ยนเนีย่ยจะมาตามรู้อย่างเงี้ยออกมาจากบ้านจะไปขึ้นรถเมย์เห็นรถเมย์ไม่มาสักทีมีแต่คนรอเยอะแยๆเลยไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจนี่ก็ปฏิบัตินะ รถเมมาดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดชักมโมโหอะไรเงี้ยเฝ้ารู้ความรู้สึกเนี่ยทําอย่างนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละ ย, ยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเวลาทํางานที่ต้องคิดต้องรู้เรื่องงานเหราะน้นรู้เรื่องงานเป็นการรู้อารมณ์บัญญัติไม่ใช่เวลาเจริญวิปัสนารู้เรื่องงานก็มีสมาธิในการทํางานจดจ่อกับงานไปนี่ทํางานไปสักช่วงหนึ่งชักเบือ่อแล้วเบื่อไม่ใช่งานแล้วเบื่อกิเลสนะ มีสติรู้ว่ามันเบือ่อหรือทํางานไปวันนี้คนเขาชมแหพรีเซนต์งานคนเขาชมเราเราดีใจรู้ว่าดีใจสอนเนอ ง, งานไปไม่ผ่านเลยช่างหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนั้นส่วนเวลาคิดงานต้องคิดนะไม่ใช่เวลาจเจริญสติสมาธาทาอยู่อย่างเงี้ยกลับมาบ้านตอนเย็นอ่ะะก่อนจะนอนนั่นแหละถึงจะได้ไหว้พระสวดมนต์ทำส ม, มาธิเดินจงกรมอะไรนิดนหน่อย พอเป็นคาราวาสไปเดินจงกรมทั้งวันใครก็จะให้เงินเดือนเราหร่อเมื่อสองวันเมื่อวานเมื่อมีคนหนึ่งบอกว่าคิดเป็นนักเขียนซอฟต์แวร์นิ้วก็ทบคีย์บอร์ดสักแต่รู้อย่างนี้เขาก็ไล่ออกอีกเขาไม่ได้จ้างให้มาปฏิบัตินะจ้างให้ไปคิดไปคิดกับรู้นะ่ะศัตรูกันง่ายโยมที่ใส่แว่นตารู้อย่างว่าคิดมันเป็นศัตรูยังไง มันพานดหนีออกไปนอกวัดเลยนะอย่เที่ยวไปอย่างนั้นรู้สึกไวรู้ไหมเมื่อกี้จิตมีพฤติกรรมอะไรมันลงไปนีไปคิดนะเหลือๆไปรู้จักสงสัยบ้างไหมสงสัยคนนี้เป็นนักสงสัยนะสงสัยรู้ว่าสงสัย การปฏิบัติไม่ใช่อะไรยุ่งยากเลยนะการปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นในใจนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆคอยตามรู้เรื่อยๆฟังอาจตมาพูดไม่รู้เรื่องเลยงงงงรู้ว่างงนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะเนี่ยมันง่ายขนาดนี้ง่ายจนยากง่ายจนนึกไม่ถึงใจลอยอีกแล้วใช่ไหมคุณที่ใส่แว่นอ่ะพอดูออกไหมนะดีแล้วล่ะหัดอย่างเนี้ยนะหัดทั้งวันเลยหัดไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหัดไป หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม hmm. นะรู้สึกตัวไปนะห้ามมันไม่ได้ดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้มันจะหนีไป ห, มไมไห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะของจริงนะนะถ้าห้ามไม่ได้ก็คือเพ่งไว้บังคับไวนะ้เป็นสมถะหนีไปคิดทราบไหมงงบ้างไหมหรือไม่งงเลย <c oughs> ไม่งงเลยนะเก่งอย่างตัว น, นี้ ถามที่อรไม่เคยงงสักีเลยหลวงพ่ อ, อพูดแล้วยังงงเลย <c oughs> ก้าวเป็นไงก้าว <c oughs> เออฝึกบ่อยดีโมโหบ่อยไหม <c oughs> อดีแล้วใครรู้เนะรื่อยๆนะรู้เรื่อยๆแล้วแก้วอ่ะแก้วโมโหก้าวบ่อยไหมเลิกบังคับก้าวยัง อคุณผู้ชายที่มีผ้าพันคอมาหลายทีละเป็นไงภาวนาเออดูเรื่อยๆนะดูเออขณะนี้คิดว่ารู้สึกตัวเต็มที่ยังเออนะดูให้ออกนะมีโมหะนะ <c oughs> เออนะอย่างนี้รู้สึกขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันชัดขึ้นมานะเคยรู้สึกไป ใจเราไม่เคยนิ่งเลยเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเอาคนมาใหม่ๆคนไหนอีกใครจะเรียนเชิญคุณรู้จักซึมซึมไหยใจซึมซึมอะไรเงี้ยเคยเป็นไม <c oughs> เาไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูไปนะเคยรู้สึกอาะหนีไปทาอะไรทราบไหมอะไรนะใจลอยถูกต้องถูกแล้วนะตอบถูก โยรู้สึกไหมไงหายโมโหยังโบค่อยๆรู้สึกดูออกไหมใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดนะรู้ไปรู้สบายๆต้องรู้แบบสบายนะจับหลักให้ดีนะถ้ารู้แบบลำบากเนี่ยทำผิดละต้องรู้อย่างรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้เหมือนเราเป็นคนวงนอกนะดูไว้ตัวนี้ทำงานไปทำอะไรอยู่ เมื่อกี้เนี้ยนึก อ, ออกไหมสสเออสงสัยรู้ว่าสงสัยสินะสงสัยอย่าไปคิดเอาพอเราสงสัยแล้วเราก็รีบไปคิดใหญ่เลยว่ามันเป็นยังไงนะะสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยมันง่ายนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกไงาชาวสุพรรณมากันกี่คน <c oughs> เลือดสุพรรณมาด้วยกัน เคยฝึกที่ไหนไห ม, ไมจริงๆไม่ยากนะอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าคือการที่ต้องทำอะไรยากๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือให้คอยรู้นะต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรนะธรรมะไม่ใช่คืออะไรที่ลึกลับอยู่ห่างไกลนะไม่ใช่ธรรมะคือสิ่งที่เรียกว่ารู ป, ปธรรมก็คือกายนี้ก็นามธรรมาก็คือใจของเรานี้เอง เราอยากรู้ธรรมะเราก็คอยรู้กายก็ยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆยมนึกออกไหมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี้ยเราลืมกายลืมใจบ่อยๆเช่นเวลาเราไปดูคนอื่นนะเราเห็นคนเดินมาเรารู้ว่าใครมาแต่ขณะนั้นเราก็ลืมตัวเราเองนะเวลาเรานั่งฟังฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปรู้สึกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะนี่ค่อยๆหัดสังเกตพฤติกรรมทางใจของเรา ใจเราฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดห้ามไม่ได้นะไม่ได้เรียนเพื่อจะห้ามเรียนเพื่อให้คอยรู้เท่าทันมันถ้ามันไปคิดเราไม่รู้ว่ามันไปคิดก็เรียกว่าหลงนะมันไปฟังไม่รู้ว่าฟังก็เรียกว่าหลงเหมือนกันเนีย่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะใจลอยไปแล้วก็คอยรู้ใจลอยแล้วก็คอยรู้ฝึกอันเดียวแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็พอแล้วถ้าฝึกแค่นี้ได้นะปฏบิบัติได้เกินหกสิบเปอร์เซ็นละ เพราะเวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่กับความหลงทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณคนใดคนหนึ่งทุกๆคนน่ะเกิดมากับความหลงจะหาคนที่รู้สึกตัวทั้คนหนึ่งนี่ยากแสนยากเลยเราแต่ละคนตื่นมาแต่ตัวแต่ใจเราคิดทั้งวันใจเราฝันทั้งวันใจเราไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันใจเราไม่อยู่กับโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงนี่เราจะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจของเราได้แต่ส่วนมากเราชอบหนีไปคิด อย่างตอนนี้ลืมกายลืมใจแล้วรู้สึกไหมี่ิคิดอีกแล้วเห็นะ <c oughs> นะคอยรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆไม่ยากหรอกนะถ้าหัดรู้กายหัดรู้ใจไปเรื่อยๆนะในที่สุดจะเข้าใจความเป็นจริงคําว่าปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงนะของกายของใจเข้าใจว่างไงเข้าใจว่าอันี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นก้อนาธาตุเป็นวัตถุ จิตใจก็เข้าใจมันเป็นของไม่แน่นอนบังคับมันไม่ได้เดีนะ๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋วยวดีเดี๋ยวร้ายเรียกเป็นปัญญานะเข้าใจอย่างเงี้ยค่อยๆรู้ไปเดี๋ยวความทุกข์มันจะค่อยๆหายไปความจริงความทุกข์มันมีหลายระดับนะความทุกข์เบื้องต้นเนี่ยแค่เรารู้สึกตัวเข้ามาก็หายไปแล้วนะทันทีที่เรารู้สึกตัวความทุกข์ทางใจก็หายไปแล้วเนี่ยเผลออีกแล้วทราบไหมนะเออเก่งนะ อ้าวคุณผู้ชายนี้ชื่อไหล่ะชื่อไรนะคุณ ว, วิชิตวิเชียนวิชิตคุณวิชิตเป็นไงรู้จักใจลอยั้มนะเออนะแค่คอยรู้ไปอย่างนี้นะมันใจลอยรู้ว่าใจลอยขนาดที่เราใจลอยเราจะลืมตัวเราเอง เราจะลืมกายลืมใจตัวเองใจลอยไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันคนในโลกนี้ฝันอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยเนี่ยใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมมันหนีไปอีกแล้วเราไม่ได้บังคับไว้นะใจลอยนี่เป็นการหลงสุดโตงไปข้างหนึ่งคือเผลอไปกลัวจะใจลอยแล้วบังคับไว้นี่สุดโตงข้างบังคับความสุดโตกมีสองกันถ้าเราไม่สุดโต่สองข้างนี้มันจะเข้าทางสายกลางเข้ามาเอง จะรู้สึกตัวแล้วตื่นขึ้นฉับพลันไหมเคยได้ยินชื่อเว้ห ล, งหห ล, งหลงังไหมเว้หลังรู้จักเว้หลังบ้างไหมท่านเว้หลังบอกว่าการปฏิบัตินไม่มีอะไรหรอกมีแต่ลืมตาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยถ้าฟังแบบเราไม่ใช่นักปฏิบัติฟังแล้วเหมือนพูดเล่นนะความจริงอย่า ง, งานั้นจริงๆพวกเราลืมตาขึ้นมาจริงนะแต่ใจเราไม่ตื่นใจเรายัางคิดคิ ด, คดฝันฝันไปทั้งวันใจเราลงไป เพรนั้นถ้าเราลืมตาขึ้นมาแล้วใจของเราก็ตื่นขึ้นมาด้วยตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจนะรู้สึกขึ้นมาอย่าใจลอยไปอย่าเผลอไปอย่าเม่อไปรู้สึกขึ้นมาไงคุณผู้หญิงข้างหลังนะรู้อย่างว่าใจลอยเป็นไงนะคุณที่ถัดจากผู้หญิงเสื้อเขียวนี้ไปโยมรวยอะรู้จักใจลอยอยั ง, ยมยงไม่ใช่โยมรวยไม่ถามหรอกคืน <c oughs> ถามโยมรวยโยมรวยพูดไม่เลิก นะคุณผู้ชายที่นั่งถัดไปสึกไหมเมื่อกี้เราเผลอไปแวบหนึ่งนะใจเราเผลอแวบไปเราก็คอยรู้ทันนะรู้มันไปเรื่อยๆโยมที่มารุ่นหลังๆนี้ลำบากนิดนะเพราะว่าญาติโยมเยอะแต่มาดูได้ไม่ทั่วถึงลนะพวกที่มารุ่นแรกๆได้เปรียบหน่อยแต่พวกรุ่นแรกๆไมันจะขี้เกียจนะบิ๊กบ้าไหม <c oughs> อ๋อบางคนนะ แล้ว้องมากขี้เกียจมากเห็นไหมคุณสองคนใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมพอเราสนใจเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองเลยนะเนี่ยค่อยหัดอย่างนี้นหัดเรื่อยๆหัดคอยรู้ทันตัวเองนะใจเราจะหนีไปจากตัวเองบ่อยๆอ่ะคุณผู้หญิงที่กำลังยิ้มไปยิ้มมารู้สึกไหมว่าเราบังคับมันไว้อ่ะ ะนะบังคับมันรู้ว่าบังคับเห็นไหมเราจะสุดตรงอยู่สองข้างอะ่ะถ้าไม่ใจลอยเผลอไปเลยก็บังคับไว้สองอันนี้เองที่ผิดถ้ารู้ทางที่ผิดแล้วนะมันจะถูกเองเลยทางที่ถูกไม่ต้องไปทําขึ้นมานะจงใจทําขึ้นมาไม่ได้อคุณวิชิตวิชิตหรือวิเชียนหรืออีกล่ะวิชิต ค, คอยรู้สึกตัวนะรู้สึกเรลยๆคุณไม่ทําอะไรล่ะตอนเนี้ย เห็นไหมสงสัยอาชีพเดียวเลยสงสัยเอาอย่างที่หลวงพ่อบอกสงสัยนะรู้ว่าสงสัยรู้ไปที่ความรู้สึกอะอย่างเมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมเห็นแรงดันไหมมันอยากพูดมันจะมีแรงดันในอกเราเนี่ยนะตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าตันหาแรงดันตัวนี้นะคอยรู้ทันมันอย่างมันจะสั่งให้เราพูดนะถ้าเราไม่พูดเราอึดอัดเลยอย่างคุณคนที่ขี้โมโหมันจะมีแรงดันขึ้นมาก่อนนะ เอาด่าเลยถ้าไม่ด่าแล้วอึดอัดนะเนะนี่ยมันมีความอยากด่าเกิดขึ้นก่อนนะตัณหามันเกิดก่อนแล้วก็เกิดพฤติกรรมเนี่ยตัณหาเป็นผู้สร้างภกคุณพิชิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกอย่าไปนั่งจ้องอย่างนั้นนะรู้สึกสบายๆถอยขึ้นมารู้สึกเหมือนถอยขึ้นมาอย่าลงไปนอนแช่อ ย, อย่างตะกี้ถอยรู้สึกตัวขึ้นมา เออรู้สึกสบายๆนะสบา ย, นะบาย อ, อ๋อทาใจสบายก่อนขั้นแรกทาใจสบายๆตอนนี้ไปดูลมหายใจทราบไหมจิตไปดูลมหายใจรู้ไปดูลมหายใจดูลมหายใจไม่ได้แปลว่าทาใจสบายนะตรงนี้ผมสับสนมาครับนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าไม่จ้องไม่เพ่งไม่ตามดูตรงนี้ตามรู้ตามรู้แต่ไม่เพ่ง นะเพ่งกัรู้ไม่เหมือนกันนะเพ่งเนี่ยเบื้องหลั ง, ง ค, คือเราแค่ระลึกเท่านั้นคอยระลึกไว้นะแต่ว่าอยากเพ่งใส่นะคุณลองเอาหัวไม่มือตัวเองลองเพ่งใส่หัวไม่มือสิเอาให้ลืมโลกเลยเลยใส่หัวไม่มือกันเดียวเลยลองทำดูเนี่ยรู้สึกไหมอย่างนี้เรียกว่าเพ่งนะจำไว้นะนะเพ่งกัรู้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเพ่งเนี่ยจิตของเราไหลลงไปอยู่ที่นี่ด้วยดูออกไหมว่ามันไหลเข้าไป เวลารู้ลมหายใจก็อย่าไหลเข้าไปอยู่ที่ลมนะรู้อะไรก็อย่าไหลเข้าไปนะให้มันสักว่ารู้สักว่าดูอยู่เหมือนเราดูอยู่ห่างๆใจอย่าให้ถลําเข้าไปนะอย่างเมื่อกี้ไปรู้ลมหายใจใจถลําเข้าไปหาลมนะตอนนี้ตั้งใจขึ้นมาทราบไหมตั้งใจรู้ว่าตั้งใจนะความจริงตั้งใจเขาผิดแล้วละ่ะตั้งใจเนี้ยมันเป็นคำสุภาพนะคำตรงๆเป็นโลภนะนั่นเองอยากปฏิบัต คือโลภะคือตัวตันหานะเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือกำหนดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจงั้นตันหาก็เกิดทําให้เกิดการทํางานของใจขึ้นมาคือการกําหนดลมหายใจให้เรารู้ตั้งแต่ว่ามันอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วให้คอยรู้ทันให้ถึงใจให้ได้เลยอย่างพวกที่เขาหัดรู้กายนะเขาฝึกรู้กายไปช่วงหนึ่งเขาจะมาดูต้นจิตใช่ไหมใครเคยเรียนต้นจิต ก็คือกลับเข้ามารู้ถึงใจนั่นเองการปฏิบัติไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดนะสุดท้ายลงมาที่ใจอันเดียวยงั้นถ้าใครเรียนเข้ามาถึงใจได้เลยนะก็ทางเดินก็สั้นหน่อยแต่ถ้ารู้ใจไม่ได้ก็ไปรู้กายก่อนรู้กายไปเรื่อยๆก็เห็นอีกกายนี่มันถูกจิตสั่งมันจะเห ล, ลวไา้แลกขว้ามันจะกระดุกกระดิกอะไรนี่จิตมันสั่งเนี่ยก็เรียกไปเห็นต้นจิตนะบางสำนักเขาใช้คาว่าต้นจิต หนีไปคิดทราบไหมคุณวิชิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดไม่ห้ามมันะให้คอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจของเราไว้อย่าไปจ้องอย่างนี้นนะรู้สึกไหมเราถล่มไปจ้องมิ่งมิ่งเข้าไปแล้วไยขึ้นมาที่ไท อ, ออกมาอยู่ในโลกปกติรู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนปกติดูออกไหม การปฏิบัติธรรมนี้นะปฏิบัติด้วยจิตที่ปกติที่สุดเลยนะไม่ต้องไปดัดแปลงให้มันนิ่งผิดความเป็นจริงเอ้าคุณผู้หญิงโน้นอ่ะใจลอยแล้วทราบไหมที่มีสร้อยเพชรววบแบบวบววบแว บ, บนั่ยนนะ่ะ <c oughs> รู้สึกตัวไว้นะของคุณนั่นล่ะที่นั่งริมเลยอ่ะเคยฝึกมาไหมเนี่นะ่ะ <c oughs> หรอืออยากฝึกไหม อยากฝึกต่อไปนี้อ่านใจตัวเองทั้งวันนะดูหนังดูละครหรือทำอะไรเนี่ยค่อยรู้ความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงค่อยรู้ไปเรื่อยนะฝึกอันเดียวก็พอคุณวิชิตทำอะไรทราบไห ม, มไใช่ใช่ให้รู้ทันนะเพ่งไม่ใช่ทางของวิปัสสนานะเพ่งเป็นทางของสมถะเพ่งแล้วนิ่งนิ่งแล้วสงบแล้วสบายอะไรอย่างนั้นไป แต่ว่าไม่เกิดปัญญาคือเราจะไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมันจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่ยอมเจริญปัญญาไม่ใช่เครื่องยึดเดนียวเครื่องอยู่เครื่องอยู่ก่บเครื่องยึดเหนี่ยวไม่เหมือนกันคือมันมีสองอันนะบ้านกับคุกนี่ไม่เหมือนกันบ้านกับคุกไม่เหมือนกันวิหารธรรมหมายถึงเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เวลามีธุระก็ออกนอกบ้านได้แต่คุกเนี่ห้ามไปที่อื่นอย่างเรากำหนดลมหายใจรู้สึกไหมเราลมหายใจเป็นคุกมาขังไม่ให้ใจไปที่อื่นแต่ถ้าเราแค่หายใจเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวอย่างนี้ลมหายใจเป็นบ้านของเราหายใจไปเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเพื่อจะไปเพ่งลมหายใจเพราะฉะั้นอย่างพวกเราถ้าจะคนไหนใช้ลมหายใจนะหายใจเข้ารู้สึกตัวนะ หาใจออกรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเรื่อยๆ<ม>ไม่หายใจออกเคลิมสงสัยทราบไหมสง ส, สงสัยดูรสิรู้ว่าสงสัยนะรู้ไปสงสัยแล้วจะพูดอืมนะเนี่ยให้คอยรู้ทั น, นการรู้ทันนั่นแหละรเรียกว่าปฏิบัติอ๋ออางนี้สิลองลองเพ่งหัวไม้มือดูลองดูสิอ่าอ้าลองเพ่งดูเพ่งโชว์หน่อย เนี่ยรู้สึกไหมจิตมันไปรวมเข้าไปอ่าเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าเพ่งไม่ใช่รู้รู้เนี้ยจิตไม่ไหลไปรู้เนี้ยมันสักว่ารู้เหมือนมันดูอยู่ห่างๆนะเพราะั้นเรารู้ลมหายใจแล้วเหมือนก็ดูไอ้ตัวนี้มันหายใจไปแต่ใจเราเนี่ไม่ไหลลงไปรวมอยู่ที่ลมนะถ้าไหลลงไปรวมกับลมนี้เรียกว่าเพ่งลมนะเหมือนกับเพ่งหัวไม้เมือไหลลงไปรวมกันอันนี้พอแยกได้ไมอลองหายใจดู ลองกำหนดลมหายใจไปไม่เอาถืออย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้อ่านะอย่างนี้ไม่ได้ทําเล่นๆอย่าตั้งใจหายใจเล่นๆอย่างเมื่อกี้พยายามจะหายใจด้วยนะมันก็เลยสายจิตมันสายไปสายมาหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆหายใจมาตั้งแต่เกิดอนะ่ะหายใจแบบนั้นอะ่นะะ ลมหายใจเป็นกรรมฐานที่เล่นยากมากยากเพราะละเอียดประณีตนะบางสำนักโดยเพพาะสำนักอภิธรรมครับสอนลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษอย่างเงี้ยนะไม่ใช่กรรมฐานสาธารณะอันนี้หมายถึงหายใจให้เป็นวิปัสสนานะแต่ถ้าหายใจให้เป็นสมถะเนี่ยเป็นสาธารณะใครๆก็ทำง่ายแต่ถ้าจะหายใจใเ้วก็ให้รู้สึกตัวขึ้นมาจริงๆเนะี่ยทายาก เพราะมันเคลิมง่ายเน่ราะตัวอนาปนาสติในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าดูให้ดีนะท่านสอนลงไปถึงตรงที่ว่าลมหายใจดับไประงับดันั้นก็คือการทําฌานสี่นั่เนเองเในสติปัฏฐานสี่เนี่ยอนาปนาสติบับเนี่ยนะทำเพื่อให้เกิดสมถะพอมีสมถะแล้วเนี่ยฉีดถอยออกมาจากสมถะจากสมาธินะมีสติรู้ทัน เมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้สุขตอนนี้ไม่สุขเมื่อกี้สงบตอนนี้สายเนี่ยมาเฝ้ารู้จิตที่เปลี่ยนแปลงงั้นตัวนะ่ปะปัญสติน ะ, ะนาา ต, ตอนนี้เล่นยากพวกเราเมื่อกี้คิดว่าเล่นง่ายถ้าเล่นให้เป็นสมถะง่ายหายใจพักเดียวก็รวมแอ่หายใจให้รู้สึกตัวเล่นยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สํานักกรรมฐานส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตให้เดียจะเล่นไปที่กาย ที่เคลื่อนไหวอะให้รู้อิริยาบทสี่บ้างรู้สัมปชัญญะบัพเพะจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนไหวจะสายลงพระเถียนนีให้กระดูกกระดิกแล้วรู้สึกเอาครูบาอาจารย์มัดป่าบางองค์ท่านให้เดินจงกรมเดินไปเรื่อยรู้รูปเดินสาย้ท่านจะแนบให้รู้อิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปสายพองยุบใช่ไหมให้ดูท้องให้ดูท้องให้ดูเท้าที่เคลื่อนไหว สุดทยจะให้รู้รูปส่วนตัวานาปนสติเล่นลําบากนิดประณีทำแล้วเคลิมง่ายเพราะมันเป็นกรรมฐานที่สบายจิตตอนนี้กับตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนกันดูออกไหมเนี่ยให้รู้ความแตกต่างให้รู้แค่ความแตกต่างไปเรื่อยๆใจของเราแต่ละขณะเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยให้คอยรู้ความแตกต่างไป จนปัญญามันเกิดเลยเห็นเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแว บ, บมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นหนึงแล้วก็เกิดความรู้สึกกันใหม่ขึ้นมาตกลงไปดับปั๊ บ, บมีช่องว่างมาขั้นนหนึ่งจะเฝ้ารู้ไปเลยเห็นจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับไม่ใช่จิตดวงเดียวนี่เรียกสันตติขาด น, น, นี่ถึงจะเริ่มวิปัสนาจริงๆ า, งา่ก็เรียกว่าใจลอยนะเรียกว่าหลงคือหลงมีหลายเกรด หลงรุนแรงนี่คิดเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยเคยเป็นไหมคิดๆไปไม่รู้ว่าคิดอะไรหลงระดับที่รองลงมารู้เรื่องที่คิดแต่อนนี้เอาไว้ใช้แก่การใช้ชีวิตในโลกนะหลงอันนี้หมายถึงว่าขาดสัมมาสติแต่อาจจะมีสติอยู่กับโลกได้แต่ขาดตัวสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยเป็นสติที่เรารู้รูป ร, รู้นามงั้นอย่างเราไปคิดเรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องที่คิดไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมเป็นสมมติบัญญัติ เพราะฉั้นสติตัวที่ไปรู้เรื่องที่คิดถึงไม่ใช่สัมมาสติเป็นสติธรรมดาเพราะฉนเรามีแต่สติธรรมดากันสติธรรมดาเนี่ยทำให้เราเรียนหนังสือได้นะทำงานได้ขับรถได้เดินไม่ตกถนนอะไรเงี้ยนี่สติธรรมดาสัมมาสติเนี่ยจะเป็นตัวระลึกรู้รู้ทันความเคลื่อนไหวของกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของใจอย่างรู้เรื่องที่คิดไม่ใช่เป็นสติธรรมดา รู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนธรรมดามันมันมันนิ่งผิดธรรมดารู้สึกไหมเอ่ยเพราะอะไรเพราะเราอยากปฏิบัติเราเข้าไปบังคับควบคุมเอาไว้เราไปเบียงเบนแล้วเราไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงค่อยๆดูนะค่อยๆดูเจอทั้าเป็นธรรมดาเลยธรรมะแท้ๆเนี่ยธรรมดาที่สุดเลยแอบไปทำอะไรทราบไหม ใช่ตอบถูกนะเก่งตอนไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมะนะไห้หัดอย่างนี้หัดรู้สึกอย่างนี้นะไงคุณวิชิตลืมรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วรู้กายรู้ใจอ่าคิดนะเห็นไหมฟังฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดใช่ไหมขณะที่ฟังก็ลืมตัวเองขณะที่คิดเราก็ลืมตัวเองมันต้องลืมนะเพราะถ้าไม่ลืมฟังไม่รู้เรื่องนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว แต่ถ้าเราจะฟังแบบวิปัสสนานะฟังแล้วใจเราไปฟังรู้ว่าฟังใจวิคิดรู้ว่าคิดจะฟังอัตมาไม่รู้เรื่องเลยแต่เนี้ยดีที่สุดเลยมาฟังอัตมาไม่ต้องรู้เรื่องนะแต่ฟังเรารู้ว่าฟังคิดรู้ว่าคิดนะพิเศษที่สุดเลยเรียกว่าปฏิบัติล่ะอย่างฟังให้รู้เรื่องเรียกว่าฟังเชิงปริยัติได้อะไรกลับบ้านได้ความจําไม่ได้ความจริง งั้นถ้ามีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไรไม่รู้ยากยากนะบอกฟังนกร้องสินกเยฟังดูรู้สึกไหมตอนที่เราฟังนกร้องเราลืมตัวเราเองเนะนี้ยนะเนี่ยหัดไปนะหรือนกมันร้องเพลาะรู้สึกไหมเนี่ยนกกระเเวานะเนี่ยร้องเพลาะวังเวงฟังเอาเลยให้ลองเลยมันเงียบไปแล้ว เนไหมมันเนี่ยอนัตตาบังคับมันไม่ได้พอ <c oughs> ฟังเสียงนกร้องนะฟังแล้วมันสบายใจสบายใจรู้ว่าสบายใจนี่ปฏิบัติแล้วนะ <c oughs> กลับบ้านนะากลางคืนจะนอนหมาข้างบ้านมันเห่าไม่เลิกนะโมโหมันโมโหรู้ว่าโมโหนี่ก็ปฏิบัติเสร็จแล้วนะงั้นไปฟังนกร้องก็ได้ฟังหมาเห่าก็ได้นะไม่ต้องฟ่งอสมาหรอกนะฟังแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไป ลองอีกแล้วดูดูมันรลยไหมน้ <c oughs> องนั้นมันเงียบเลยที่นี่นกเยอะนะลองฟังดูลองฟังนะสังเกตไห้ใจเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยไหมไปฟังบ้างหนีไปคิดบ้างสลับกันไปสลับกันมานะเนี่ย <c oughs> คอยหัดรู้ทัน <c oughs> ใช่สินะเพราะงั้นเขาลุกขึ้นเดินจงกลมไปลมหายใจหลวงพ่อถึงบอกว่าทำยากแต่พวกเรานะชอบชอบกันจังเลยชอบไอ้ของที่ทำยากอ่ะนะมันสบายทำแล้วอะไรนะน <c oughs> ของง่ายๆนะทำของง่ายๆไป เช่นคนก็ชมว่าบิ๊กสุดหล่อฟังแล้วดีใจดีใจรู้ว่าดีใจีเราก็พูดถึงรอทำสติก็่มสใจก็คือให้รู้างะไม่ตลอด่ะรู้เท่าที่รู้ได้คือสติเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ ตัวสติหรือกระทั่งสัมมาสติก็ตามเนี่ยเป็นอนัตตาเหมือนกันบังคับไม่ได้ถ้ามันมีเหตุสติก็เกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดนะเหตุของสติคือการที่จิตใจของเราเนี่ยจาสภาวะธรรมได้เช่นเราจําได้ว่าเผลอไปคิดเป็นยังไงพอใจมันเผลอไปคิดปุ๊บมันจะระลึกขึ้นมาได้จะนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเผลอไปคิดละนี่สติมันเกิดทันทีที่รู้ว่าเผลอไปคิดปุ๊บรู้สึกไหมเหมือนคลๆเราตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยนะเหมือนมันสว่างมาจากข้างในเล นะมันรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างโปร่งขึ้นมาเลยนะนั่นแหละคอยรู้สึกอย่างนั้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีใครทําได้เพราะมันเป็นอนัตตาหนะ้าที่ของเราก็คือพอเหลอไปแล้วก็รู้สึกนจะตื่นทีหนึง่งก็เผลออีกก็รู้สึกอีกก็ตื่นอีกทีนะตื่นให้บ่อยๆพระภูรีกตาว่านะทาให้มากทําให้บ่อยๆไม่ได้ทําให้นานนะสติเกิดขึ้นก็เกิดทีละขณะทีละขณะ จิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นคณิกะสมาธิตั้งชั่วขณะอย่างเนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไหอไ้คุณวิชิตทําอะไรคุณวิชิตเออนะคิดรู้ว่าคิดเริ่มรู้จักคิดแล้วใช่ไหมพอจะนึกออกไหมคุณวิชิตว่าปกติเราคิดทั้งวันเลยนะเราไม่รู้สึกตัวหรอกเราจะหลงอยู่กับความคิดทั้งวันเลยะเมื่อเราไปหลงอยู่กับความคิดเราไม่เคยอยู่กับความจริงธรรมะเป็นของจริง เราไปอยู่กับของปลอมเราก็ไม่เห็นธรรมะของจริงคืออะไรากายกับใจเนี่ยรูปธรรมนามธรรมนะรู้สึกด้วยเรียกว่าเราอยู่กับธรรมะในที่สุดเราก็เข้าใจธรรมะที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจอะว่ารูปธรรมนามธรรมมันไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับไปนะ มันจะคิดก่อนมันจะคิดไปก่อนนะคิดคิดไปคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดความสุขขึ้นมา่คิดเรื่องนี้แล้วเครียดอย่างเงี้ยนะมันจะคิดไปก่อนพอมันคิดไปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดก็คอยรู้ทันไปรู้ที่ความรู้สึกะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะแต่เวลาทํางานต้องรู้เรื่องที่คิดนะไม่ใช่รู้ความรู้สึกทํางานไม่ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลย ต้องตามรู้หมายถึงมันเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้นะไม่ใช่ไปรู้ก่อนมันเกิดนะไม่ใช่ไปนั่งจ้องเอาไว้ก่อนอย่างนี้ผิดเลยคําว่าจิตตานุปัสนาคือจิตอนุปัสนาปัสนาคือการรู้การเห็นอนุว่าตามนะตามรู้ตามเห็นจิตใจของเราไปจิตมันเผลอไปมันเผลอก่อนแล้วรู้ว่าเผลอจิตมันโกรธนี่มันโกรธไปก่อนแล้วรู้วนะ่าโกรธนะไม่ใช่โกรธไปรู้ไปนะไม่ใช่นะทําผิดละนะ อย่างนี้ง่ายไหมมันเกิดความรู้สึกไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้มันนะแต่ต้องรู้ให้ไวๆหน่อยนะไม่ใช่เมื่อวานนี้โกรธวันนี้นึกได้อย่างนี้ไม่เอานะนานไปต้องแบบติดๆอนะ่ะต้องเห็นฝุ่น่นะไม่ใช่หายไปไม่เห็นฝุ่นแนะ้ะหรือเห็นหางมันยังไหวๆอยู่นะอย่างนี้เพระงั้นโกรธไปก่อนโกรธแล้วรู้อ้าวโกรธแล้วนะเผลอไปก่อนอ้าวเผลออีกแล้ะอย่างนี้ง่ายเลยรู้สึกไหมง่าย เพราะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แสนจะง่ายท่านสอนสิ่งที่ง่ายๆนะยังคนไปฟังพระเจ้าเทศต่อเข้าใจนะอุทานเลยแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะนะเหมือนเปิดของคว่ำให้ง่ายเหมือนจุดไฟขึ้นมาให้แสงสว่างโดยวางว่าคนตาดีจะมองเห็นนะไม่มีใครอุทานเลยว่าโอ้ยากจังเลยพระเจ้าค่ะไม่มีนะมีแต่บอกแจมแจ้งนะเพราะว่าทำของพระเจ้านะง่ายๆไม่ใช่ลึกลับอะไรเลย แค่โกรธไปแล้วก็รู้ว่าโกรธอย่างตอนเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมหนีไปคิดแล้วรู้ว่ารู้สึกไหมว่ามันตื่นขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคือภาวะาแห่งความตื่นละเพะฉะนั้นตื่นบ่อยๆตอนนี้ฝันอีกแล้วทราบไหมหนีไปคิดอีกแล้วะพอเข้าใจแล้วยังมันเป็นยังไงตามรู้ตามรู้เรื่อยๆนะเอมาเรียนกี่ครั้งคนนี้เออเก่งไม่เคยฝึกใช่ไหมหรือเคยฝึก อืมนะดีที่ไม่ได้ขยันนะด้ขยันีะ